แล้มมากที่เรากำลังจะพึ่งปฏิบัติในสัปปะยะที่นั่นก็สบายแต่ที่ไหนไม่สบายเราก็รกู้ว่าที่นั่นเป็นอบายโดยเฉพาะที่หลวงพอว่อฤาลีท่านออมตมาไปทิ้งไว้ใช้ว่าทิ้งไว้นะก็ดูความเมตตามท่านเอาไปไว้โน่นนู้นต่างประเทศเป็นเวลาเจ็ดปีแล้วครับเดีย ว, เวอเมริกาก็สูการทีกลับมาบ้าน มาเยี่ยมครันะ้ทงที่สองแล้วก็จะไปนะครั้งนี้วัยกลับมาแล้วพาแม่ไปเราทำเหมือนกันเนะี่ยหลังจากไปแล้วแต่ก่อนก็พาแม่ไปเราทำตรงนั้นตรงนี้อยากพาที่นี่มันไกลก็เลยเอาเดือนตุลาคมวันนะั้นเนี่ยได้คอทสองคอทปีนี้ได้อสองคอแล้วก็มีโทุลักต้องไปอินเดียมึงกลับมาเมื่อวันสองสามวันนี้ก็ไม่อยู่ เลยมาหลวงพอบอกไปช่วยที่ที sure> ่ไหนนั่นแนสอดหรือว่านี่แม่สอดก็เลยมาร่วมเห็นภาพทันไปเรียนที่ตามเรียกว่าที่สัพยะต่างๆตามดูสอดทาอะไรก็ได้ด้านบรรยากาศดีโดยเฉพาะวิธีการปริบัติธ แล้วก็เตียนนะคือตอนแรกแค่ก็ว่าท่านเขาไปที่ท่านเอาไปอยู่ที่นู่นที่นู่นก็เรียกว่าปักปากครับไม่สบายที่ไม่สบายหมายถึงว่าที่เข า, าอบายก็เข า, าอบายในเรื่อว่าสถานตักทางความเสือ่อมนะตักทางความเสือ่อมเสื่อมจากคุณธรรมเสื่อมจากธรรมนะนะก็เที่ยวระหว่าอบาย อบายะมุกนะมุกหรอว่หน้าหรือปากนะปากทางความเสื่อมของมนุษย์นะ mm hmm. หรือว่าทีนี้ก็แปลมาเป็นห่วยอย่างนี้นะ mm hmm. แปลมันจะใกล้ตัวหน่อย mm hmm. ห่วย mm hmm. แปลมีอีกเป็นหายนะนักตัวเดียวกันนะ mm hmm. ที่จริงมันมาลาลาสัมีตัวเดียวแหละแต่ในะ mm hmm. กลุ่ก็เลยได้มา นูให้ปมนิทศหน่อยเพราะว่าปมนิเทเก็ทสแสดงเบื้องต้นแต่ดูหน้าเราทั้งหลายทั้งัวเราสมมติเป็นคนเก่าเลยคงไม่ต้องมาสอนกาฟคไม่ดีนะอสอนยกมือสร้างชงวะคงยังไม่ต้องไม่ใช่คนใหม่ว่ายากมือเลยอ้าวใหม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วเนี่ยก่กองเลย <c oughs> คนใหม่ที่นี่เฉยแตว่าแต่เก่ามันจะคิด่แล้วอาจะเป็นปฏิบัติยกมือมาแล้ว ไหนใครที่ไม่เคยยกมือเลยก็ลองดูหน้าตา ม, ม า, าหลายคะอย่างนั้นนแห่ะจะต้องเริ่มต้ น, นจริงเลยนะเนยประถมจริงเลยเ น, นี่ยเออเอาเกินนิดหน่อยก่อนไปประถมแต่ว่าแสดงในเบื้องต้นแสดงในเบื้องต้นของวิธีการยกตัวอย่างปรมาจารย์วิธีการนี้แ่อวกันก็คือหลวงพเทียนนะ ท่านไปที่ไหนก็นแต่ท่านจะปฐมในเทศด้วยการให้โยกกมกล่าวเพราะการกล่าวกเป็นสิ่งที่สําคัญเท่นนนะ<ม>านั้นการมีก็เป็นสเสนียกการไม่สวยก็เป็นเสนียกแต่เราเท่านันกระไรทุกตั้งแต่ไหนแต่อะไรเลยนะี่ยตั้งแต่ก่อนก็กลาวธรรมดาเนะนี่กล่มหัวลงทีหนึ่งก็ได้สามคขึ้นเรียบร้อยเลยนีแต่พอหลังจากที่มันทราบซึ้งในพระพุทธเจ้า โดยวิธีการหลวงพกอเทียนะทำวิธีการของหลวงพเทียนเนี่ยมันขอบคุณคุณาอาจารทราบซึ้งในหลวงพเทียนและถือองค์รุ่นเจ้าเป็นสถสงสุดได้นะรุ่นเจ้าเป็นเป็นศรราสตราหลวงพเทียนนี่ก็เป็นปรมอาจารย์นี้ น, นนะเพราะประมอาจารย์แลว่าอาจารย์คนอื่นอัจจนะนะา์ ปรมาณปรมาณธสูง ส, สุดเลยอาจารย์ผู้สูงสุดในค้านี้กาจะสอนด้วยการกลาวก่อนการกลาวของท่านท่านสอนโยนเลยนะก็กัรกล่าวให้ดูเลากล่าวบานเราเรียว่าเบญจารถไปหน้นนาผักหนึ่งศอกสองเข่าสองศอกสองศอกสองเข่าสองแล้วผักหนึ่งกลมอยูกลางกางคุ้ถึงขึ้ จริงๆนะแล้วตำรว่าตั้งแต่แล้วมาเรามากกัดไม่เคยทิ้งวิธีการกับไปที่ไหนตั้งแต่จะไม่กัดมากนัยกัดทำดีงามในการกับกัดใค้ก็ตามกัดระบารมีก็ตามแต่ไม่ได้กาดโดยสุดพระไม่ได้กัสุดก็นี่คือประสบกุ้เกตของรถตุ้ยเลยเพระนั้นการกัดผมจะยังไม่ได้ใช้เสียเวลาเพราะอย่างไรก็ตั้แต่เรากับเป็นทุกคนแล้ว เป็นแค่บางครั้งมันนังายเฉยๆที่เกิดกลมหลายครั้งหรือไม่กกลมเร็วๆกัวเพื่อนไปก่อนทีไปไหว้พระวกันกล่าวมองน้ามัวเพื่อนก่อนก็ร่เพราะฉะนั้นถ้าเรากาวไม่ถึงที่จริงถึงจิตถึงใจถึงก่อถึงแมตัวเรามีจริงด้วยมันทราบการเ่เริ่มจากการกาอันนี้คือหลเตี้นทีนี้พูดถึงกีกอันหนึ่งโดยเฉพาะพิธีการของหลเตียนย เริ่มจากมามองเห็นที่ตรนี้คือที่จริงก็ไม่ใช่วัดถามว่าเป็นที่สัปเพยะไหยอันที่หนึ่งคือสถานที่สัปเพยะนะคำว่าสัพเพยะสําหรับนักปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่สะดวกสบายสักเดียวนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ยังไงก็ได้ตามสโลแกนท่านใช้คำว่าอยู่อย่างต่าแต่ทํางานอย่างสูง นะทำให้ตับเติบตับเติบแต่วันนี้ท่านไปขุดทางนึงกลุม่มตัณาอยู่ดึงพอ ง, งน้ำโอ้แข็งแรงยังแข็งแร ง, ง, งอยู่เลย ม, มีโยมใครต้องมาเป็นจะพาปวดให้นะ่ะอทำไมจะเป็นจะพาพาใจจิวอนให้หรือนะอนะก็ใช้คําว่าอยู่อย่างต่ําไปทํางานอย่างสูงก็หมายถึงว่าอยู่ยังไงก็ได้ทํางานอย่างสูงคือไม่มีอะไรที่จะทํางานสูงเท่า อบรมจิตใจตัวเองนะการทํางานทางจิตอบรมจิตใจตัวเองให้ให้มันไม่ใช่ว่าให้มันดีหรอกเรามันดีอยู่แล้วให้มันระงับความโรคความกวดความโลรได้ให้ราคะโทสะโมหะมันเบาบางให้ความคิดหรื่านะเพราะเรารู้ได้ไงว่าตัวเองราคะโทสะโมหะตึงแรงอ่ไม่ใช่โยมผู้หญิงนี่ไปอินเดียเมื่อกี้เนี่ยนะ รอใครไม่รอถ้ารอผี้หญิัวนันนานรอก็ไหนรอตอนไปช็อปปิ้งล้วเขาา้าตลาดก็ขายจ่อยเหมือ น, นกับปล่ อ, อยปลาไหลลงน้ําเลยอนหะกว่าจะเลือกได้แต่ละคนเลยโอ้ลเลือกผ้าผ้าก็มีเต็มเลยนะแต่ว่าต่อต่อแล้วต่อต อ, ต อ, อีกไม่ได้ดั้งเชก็ไม่เอาเสียก็แก่ด้วยแปลว่ารู้ได้ไง ว, ว่าตัวราคาเยอะเอาสั่งอของก็เสียเราเขาจะเห็นดั้งเช่ว่าราคาก็คือราค่ะอะไรก็ตามที่ เห็นเนี่มันสรดุ้ตามันแพงก็อยากได้อย่างเงี้ยแพงแค่ไหนก็จะเอาคนนั้นมีราคาเยอะอ่าแพง่ไหนก็จะสู้ะเง้ยเรียกว่าราคาหรือว่าราคาก็สู้ประมันเอาแปได้อย่ไมแนแล้วก็ที่สองคือโทรศัพท์คือชชาวพุชรเยจะรู้ตัวเองเข้าวัดถึงพระถึงเจ้าไม่ใช่ว่าเข้าวัดแล้วกลับมาบ้านได้ของขังมาเต็มบ้านเป็นเดือนีอันนี้ถึง ถึงอยู่ถึงก็พูดอยู่ก็ทำยังไม่ถึงก็ทำก็ต้องได้ทำใหโอส่ไปรักษาด้วยหลังจากประเทศมาสนามบินครับ่าคนขับรถมันจะจอดต้องให้พักขึ้นก่อนคําแรกที่มันถามขอข้องดีหน่อยของพี่นะขอข้องดีหน่อยอันนี้คือคําแรกที่คนทุกคนถามนะสมัยเราเนยมันไม่ใช่สายขังอ่ะมันสายปล่อยนะถ้าสายขังาก็ล้มอนยากอาจจะ เจอของเยอะอยู่ก no, ็เลยบอกว่าธรตมาไม่มีของขังไม่มีของดีมีแต่ซีดีเยอะเลยมีแต่ีดีอ๋อซีดอะไรก็ยังซีดีก็คือคืออะไรซีดีอ่าธรรมะให้นเห็นดีเห็นซีก็ไม่เห็นใช่แปลง่ายอย่างนี้แหละแล้วแปลทำยางซีก็ไม่เห็นน่ดีก็คือดีแล้วหะ ให้แผงซีด like ีธรรมะไปแล้วยให้มันจะเห็นดีกันนะนะแล้วตอนช่วงวันใกล้ๆวันหวยออกให้เห็นพระหม่อยสีนี้หน่อยก็เริ่มถามแล้วอยากได้ตัวดีนะอยากได้ตัวดีก็ธรรมาก็ให้มันก็ได้ตัวดีนะนะทำไงให้ตัวดีธรรมาเลยบอกว่ารวมอยากได้ตัวดีไหม อยาได้กพยานถ้าจะได้ตัวดีมาทางนี้ก็วิ่งกันมาเตือนเลยทางเข้าก็ต้องก็ทิ้งทารเข่าที่หนึ่งได้ตัวดีอล <c oughs> ้พอมาถึงแล้วตวมาเขาเบอกว่าตัวดีที่หนึ่งคือกายนะเห็นไหมตัวดีที่หนึ่งคือกายหนึ่งไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่เอาสิ่งเสพติดเข้าสู่ร่างกายตัวเองหนึ่งได้ตัวดีที่หนึ่งแล้ว นะไม่ต้องไปหาคื่เลยบางคนถูกรตเตอรี่หลายสิบล้านไม่ถึงปีก็ได้ไปปออดดั่นสาวร้มาเดินอยู่ก็นีอันนี้ตัวดีสิ่ที่ดีที่สุดคือหนึ่งได้กายดีนะพอพูดอย่างนี้นะรเราก็เริ่มมองแล้วเริ่มจะถอยข า, ยายไปแล้วนะตัวดีที่สองคือใจดีกนะายที่ดีกายที่ดีต้อง <c oughs> หนึ่งรู้จักรูปรักษารูปะไรให้เป็นนะสอง รักษาใจเรียนให้ไนดะ้ถ้ารักษาใจเรียนได้แล้วร่างกายก็จะดีด้วยเพราะอะไรเพราะฉลาดในการรักษากายนะอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่เป็นโทษก็ไม่กินหรือดื่มเข้าไปให้เป็นอันตายรับตายเราเพราะร่างกายมันไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับอันนี้ก็เหมือนกับกระติกน้ำธรรมาดานะเป็นแค่มันขยับขยอนได้เพราะว่ามันมีใจเป็นนายมีใจเข้าไปสถิตมีใจเป็นตัว สั่งการอย่างที่ท่านบอกว่ามันหดความความรักธรรมะมันสมดกับศีลธรรมมนหมดเป็นต้นนะไม้แต่พูดจะคิดไม้แต่พูดจะทำอะไรก็อยูดกับใจเป็นตัวสั่งที่ริงกายไม่อยากกินเหล้าสมมติะสมมตินะจะขอไปไปรกินมาบ้างมันมั่นะทกินาเนี่ยกายมันต้องการสิ่งที่สะอาดเข้าอปู่ร่างกายสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไปบำรุงรักษามัน แต่ที่มันดื่มเข้าไปที่มีสีมีกลิ่นมีรสที่จัดจ้านเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวใจทั้ากินทั้งแรมอาตมากินทั้งแรมหรออาตมาดื่มเบียร์ทั้งแรมทีมันกันดื่มทั้งแรมดื่มแล้วมันมันมันเหม็นมันหืนมันจากนั้นมาเราไม่กินอีกเลยจํารสชาติยังไงเท่าที่จะไม่กินปกติแล้วก็ไม่กินอีกนะเราออกกันกินเข้าไปมันไม่อร่อยเลย ให้เราจํำรสชาติทั้งแรกไว้แต่ยากินทั้งสองทั้งสองั้งสามเดี๋ยวเรารู้สึกว่าอร่อยจริงนะบริโภคกันร่างกายเราต้องการของที่มีประโยชน์ต้องไปบำรุงต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต้างไปรักษามันก็อยู่ได้แต่เรากินเข้าไปใจมันสั่งเข้าไปกินเพื่อสังคมกินเพื่ออะไรก็แล้วแต่แหละเพราะว่าใจมันไม่ดีมันเอาของไม่ดีเข้าไปแต่ถ้าใจดีมันก็ของดีเข้าไป เวลาใจดีแล้วพูดก็ดีทําก็ดีแต่ใจไม่ดีแล้วก็พูดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีนะฉะนั้นอยากได้ตัวดีมีสองตัวชัดเจนคือทํากายดีใจดีประเสริฐที่สุดในโลกนะอันนี้คือนมาพูดอย่างนี้จบกั น, นะนึืมตาสุดท้ายกหมดเลย <c oughs> สงสัยได้ได้ตัวดีแล้วดีใจกลับไปทํานะอันนี้คือสิ่งที่ประเสริฐเท่ากับพวกเราทีนี้ พูดมาถึงสถานที่ดีเนี่ยเลยนึกถึงเวลาอ่หลวงพ่อดิเระไปที่ไหนก็แล้วแต่เวลาไปที่อเมริกานะสา่วนมากจะไม่จัดเลที่ไหนวัาแม้แต่วัดตัวเอก็ยังไม่จัดนะมันตามืิยธรเราเรก็ไม่ไม่จัดเพราะอะไรเพราะบุญมันเยอะที่ไหนบุญเยอะๆก็ไม่จัด ท่านไปจัดตัวที่กรรมเยอะๆคำวากรรมมันต้องสิ่งที่ต้องทําใหม่ให้มันปรัปปูใหม่กลรไม่ว่าการกรรมนไม่ใช่ว่าอเมงหรือกรรมอะไรแต่ว่าสิ่งแล้วก็เวลาจัดก็ท่านจัดในวัดพิธีกรรมมันเยอะทั้งที่วัดป่าก็พิธีกรรมจะน้อยที่สุดต้องับวัดทุกท้องท้องที่ทหายทุกวงละเพราะไม่มีของถังไม่มีเครื่องรางไม่มีของไม่มีของดีมีแต่ซีดีนก็เลย แต่ว่าเขามีคนมาทบุญรู้ว่ามาปฏิบัติธรรมมีหน้าเปิดธรรมประชาธรออกไปแล้วยคนปฏิบัติธรรมหนึ่มาเนาะแต่คนมาทำบุญีเยอะมาแล้วมาแล้วเขามาก็คุยกันดังแตเปิดวระตูรถตัวไนนะคุยแต่เปิดประตูรถมาคุยมาเสียงดังมสนใจหน้าปิธรรมน่ะนี่คือบุญเยอะเขากนเลยคนเลยเป็นอุปสัต์ต่อการสัปะยะการึปฏิบัติแล้วก็วัดอื่นนี่ เวลาไปขอเขาเลยขอเขาบกบบเพื่อปฏิบัติธรรมคือคนมาทำบนททกำกุนเยอะเงินพิธีกรรมก็เยอะก็อีมานี้มันเยอะอีมาที่อีมาหังอีที่นามเยอะแต่เรางพ่อไม่เอาอีดอไดเลยมีถิ้งแล้วก็ส่วนคนอานสัมมาแล้วเขตห่งกัญญาเขาทำเขาก็แล้ปฏิบัติธรรมอะปฏิบัติธรรมอย่างเดียวฉะนั้นเวลาไปที่โน้นเดี๋ไม่ ท, ทาทิวัด ไปที่ไหนอ่ะก็เอาบ้านยนนะถ้าเป็นวัดก็ต้องวัดที่มีอาคารที่มันเป็นเต็นท์อย่างนเงี้ยยนนอนเต็ น, ตนท์กที่วัด ส, าาสลาขาเขาถมุไปก็พานโยมาทีอ่อีกโซนหนึ่งสวน้ำให่นนะ่าจะเป็นฟลอริดากลางเงงปนงนน็นท์ให่เลยจะอยู่เต็นท์ดูการดูนักปฏิบัติโยนที่หอแกนไปเไม่ไม่ไม้เข แล้วก็ส่วนมากที่อันนี้คือการบ้านบ้านโดนที่หลุมพวกเกาะที่หุ่มคนไปเยอะคนประมาณนี้ถ้าประมาณนี้จะอยู่ในบ้านได้หนึ่งหลังจากฟังเพจจบหลังจากทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็เอายงหันห้าเข้าฝาผนังนะหันหน้าเข้าฝาผนังแต่ให้เหยียดขาด้านดูห่างไม่ต้องดูคนอื่นอ่ะถ้าดูเข้าไปฝาผนังจะสะท้อนดูจเอง ถ้ามองได้บรรยากาศมองไปไกลโน้นต้องเก็บรู <im podob> <t ry> ้แล้วพวกนี้ลองรู้เลยเดินจะโกนลึกนั่งสั้างด้วยว่ะดินน้านมนตลิงน้ำยังเงี้ก็มองหาป่าขึ้นกระมองดูโลกจะบินไปขึนมามองดูจิตก็เลยไปกับสิ่งมนั้นโน้นไม่ได้อะไรถ้าอยากจะได้จริงๆเหมือนการการจะสุดจิตจริงๆต้องขังจิตจิตมันจิตพวกเรามันธรรมชาติมันอิสระ ธรรมชาติมันดิ้นรนปัดเปลี่ยนข้ามยากรักษายากเด็กท่านบอกว่าดีใช่บานี้ว่าฐ า, ทานท่านำกำลั ง, าางนะจิตกลางทุรกรรมุนีวาเปนหนักจิตดิ้นรนปัดเปลี่ยนข้ามยากรักษายา ก, ายากแต่ข้ามได้นะแต่มันยากรักษาได้แต่มันยา ก, ก, า ต, ยากต้องผ่านการศึกอัตอมาชกุปมาตอนบรรลุธรรมเนี่ยคุพอมันลึกจะลึกถึงกอนตัวเอ ง, งจิตพวกเราหนุ่มันเขินมันชอบอิสระ ไม่ชอบกักชอบขาชอบไปก็ไกล้อบบินเลยที่ตัวเออว่าเราจะสึกมันเราจะต้องจะต้องมีอุปกรณ์สุดใช่ไหมเราจะสุึกลีนฝึกข้างฝึกทางฝึกม้าทุกอย่างที่จะต้องฝึกต้องมีอุปกรณ์ในการฝึกฝึกนกต้องมีกรงฝึกทางก็มีโซ่ฝึกม้าฝึกควาเราฝึกคยก็มีเชือกถ้าไม่มีเชือกฝึกมันไม่ได้จะต้องเอาเชือกคล้อง แล้วเคยฝุดครั้งแรกยังไงดิ้นรนไหมดิ้นไหมมันแ็มาเคยจับลุกเขาได้วหนึ่งจะป่ามามาฝึกเอามาขังปไว้รูว่ามันบินชนกกงจนศีสามมันเถื่อหัวถลอกมัเลยเปิดกระโหลกเลยก็เลยโตายแล้วนะนะเขาสีสามก็ปล่อยมันไปมันก็บินแคแคไปหัวเปิดแบบแบบแบนันแล้วก็เคยสุด อันตรามเป็นชาวนาทั้งแรกทั้งแร ก, ท, แรกที่เห็นพ่อกับพี่ชายเอาควายตัวแรกมันหลายตัวจะเอาตัวใหม่ตัวหนุ่มมาฝึกมันอยู่พ่อกแม่เอามาฝึกเข้าไถกว่าจะเอาแหว่างบนคอมันได้นคนจับต้องจับมันมั่นคนถือตัวแรกไถก็ต้องไม่มีไม่มีอะไรอถึงเรื่องมันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับการไถอ่ะ หายก่อตามหังก็อนไปได้ก็ไปดิ้นหลุดแล้วหลูดอีกกระโดดโคโค้คือเท่กว่าจะสุดได้ให้เวลานานกว่าจะไปตามร่องตามลอยได้จิตของเราก็เดียวกันจิตของเราเนี่ยมันเป็นไม่ใช่รูปธรรมมันเป็นนามธรรมนะมันจับยุทธเนื้อที่ไหนหรือยุ้อทไหนหรืมันไม่มีอะเอามือจุ่มลงไปน้ําร้อนก็เป็นเวทนาความรู้สึกว่าร้อนเฉยไม่ใช่จิต จะตามหาที่ไหนจะสุดมันได้จะต้องเห็นมันก่อนที่จะสุดมันได้เราจะฝึกอะไรต้องเห็นมันก่อนรู้มันก่อนเห็นมันก่อนที่จะฝึกมันได้แต่จิตมันมองไม่เห็นด้วยตาหาไม่ได้ด้วยใจเช่นบางวิธีการเขบอกเอานั่งดูจิตเช่นโยมใหม่ก็นั่งดูจิตบอกว่อ้มันนั่งคิดทั้งวันก็เลยรู้ว่าถึวเองคิดเฉยๆไปไม่รู้ว่าไม่เห็นจิตในภาษาบาลีมันมีอยู่สองคำหนึ่ง วิชาประสายาภาพวิชาเรรู้ปัสสัก็ไม่เห็นนะฉะนั้นรู้เฉยเฉยแต่รู้รู้ว่าเรโกรธรู้ใช่รู้ว่าอยากได้นี่รู้ว่าโลภนี่รู้รู้รู้ว่าโกรธนี่รู้รู้ว่าเปลี่ยนรู้ว่าชางรู้หมดอ่ะแต่ทำไมมันถึงมันถึงไม่หยุดโกรธวนนี้พรุ่งนี้เห็นหน้าก็โกรีก่ะโกรธแล้วโกรธจนเท่ากันนี้กโกรธดเปลี่ยนคนที่เราโกรธ ยังหนักแกตัวเองทุกข์ไม่ใช่ว่าโกรธเห็นหน้ากันแล้วใช่ไมว่าเขาทุกข์เราทุก่ะทำไมมันถึงไม่หยิบก อ, อกไม่ได้เพราะมันไม่เห็นมันรู้ น, น่สัยอันนี้สำพัญ น, นะจรงมาทำวิปสัสสนาให้เห็นแจ้งแต่นี้เราพูดถึงตอนแรกที่บอกว่าเห็นจิตจิตของเราเมันไม่มีตัวตน มันเป็นธรรมชาติที่ดิรันดร์เปลี่นนะฮะรักษายากยากจะเอาอะไรฝึกมันไปดิเห็นเราต้องหาเชือกซะก่อนหาเชือกผูกมันได้ซะก่อนถ้าเชือกผูกไปได้ก็ฝึกมันไม่ได้มันก็ไปให้มันด้วยนั่งอย่างนี้นี่ถามว่ามันมาจากไหนพูดอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยตรงนี้มีอะไรคิดนะจะต้องคิดให้ถึงว่าเรา ปิดเครื่องสักปิดไฟตรงนั้นหรือเปล่าจะมีใครดูว่าทตรงนั้นตรงนี้ไหอเรื่องโมงเรื่องว่นไปพั่วโผล่โผล่เรื่องงานอย่างงานเชิงไม่ฝากไม่ฝังอะไรดีอะไรเพื่อทําให้เราจิตมันไปนะท่านบอกว่าจิตของเราเน่ะแค่ว่าทูลังขมังไปได้ไกลเอกจรรมาไปคนเดียวนั่งอยู่ที่การชวนเขาไปนหมนั่งอยู่คนเดียวขนาดมอนกอดก็อยู่มันยังไม่ชวนเข้าไปเพื่ออะไรไปไครจังหเลย ใช่ไม่มพันอเอกัจะระภูรังกามังภูหาสยันมันไปไกลที่ไหนก็ตามมันมีกายที่อยู่กายมันคือกายขออะไรถ้ำมีถ้ำที่อยู่คื อ, ค, อคือกายอย่างเช่นเดินใจลอยไปเนี้วันวันเนี้ย่าเขามาส่งที่ดอนเมืองขบัขบรถมาขับรถมารถตู้ก็หยอกคนในในไอ้อเพื่อนเขา เดินมาเดินมาสองคนรถตุกก๋นอะไรมาไม่หลีรถมลยบีบแกเอะไรตกใจอะเรบอกขั้นทางขอะไรอุ่นดกันถ้าเป็หัวใจวายตายแล้วไงเนี่ยมั น, น, นคือใจลอยอย่างเนี้ยพอมีอะไรทาําตกใจปุ๊บเนี่ยใจมันจะกัดมันรู้สึกตัวทีิเลยเขาเรียกว่ามันตกไปอยู่ตะตุกมอย่างนี้ที่จริงมันไม่ตกไปหรอกมันรู้สึกมันหัวใจหายว่าเนาี่ยกำลังคิ ด, คดถึงเพื่อคิดถึ ง, คงคคใครคิดช่งใครคิดลักใครก็ตาม แต่พอมีใครมาตกสกิลระพักรู้สึกัวงทีเลยนี่เขาเรียกว่ามันกลับมามีกายที่อยู่นึกถึงดวงอาทิตย์อยู่ก็ตามเลยอยู่ไกลแค่ไหนแล้วนะแต่พอรู้สึกตัวกลับมาอยู่ที่กาแต่ว่าท่าคู่หาสยามคือมันมีท่านที่อยู่อาศัยเอกการทัรังกามเอกจารรังหาสยามนะพยายามด้วยแล้วไปไม่มีใครด้วยเนย่าไปที่ไหนมีใครทําร้ายไม่ได้เลยไม่มีนะ กิดปิายไห้เหมือนจะนักโทษอยู่ในคุก <c oughs> นักโทษอยู่ในคุกไม่ใช่ว่าคุกเป็นขังจิดก็ได้นะจิตก็ไปวางแขนกับออกมันจะทยังไอ่นี้คิดถึงก็่งไปด้วยก็ต้องมาเคยเข้าคุกบ่อยเคยเข้าคุกบ่อยมันอกลับมาเร็วๆลมทำใเข้าคุกไม่ใช่เป็นติดคนะุ ก, าาคกอันนเปล่ยนคุก ก็เลยใจเราถึงไม่มีอะไรจะกั้นมันได้คิด่นก็ไปได้จานั้นทายังไงจะฝึกมันได้ก็เอาเลบรัตรงนี้เลยนะปมเรียยาไปคนการบคนเลยเวลาเลยมีมีการหตามเห็นน้น ไม่เกินสองตุ้มขึ้นนะคื อ, อถอวอายทั้มดละโอเคไหถวา ย, ย, า ย, ย, ายค่ะถวาะเคคือ <c ười> ต้องหาเชือ e กในการผูกมันคุะเ <c ười> จ้าถ้ามีเชือกให้ <c ười> มีเชือกให้ผูกคือสิ่งที่เป็นนามต้องเอานามเป็นเชือกเอานามผูกมัน เอาเชื่อคืออะไรอ่ะพุทธเจ้าใช่ไ่มครัธธ้งแรกเลยท่านให้เอาลงหายใจถูกใช่ไหมมันไปใช่ไหมเอาครั้งแรกเลยที่ททพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้ชัดาหายใจเข้าสั้นหายใจเข้ายาวหายใจเข้าลึกหายใจออกสั้นหายใจออกยาวหายใจออกลึกให้รู้ชัดชัดในการหายใจเข้าหายใจออกโกงบอกอะไให้รู้ชัดชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ผมเอาเชื่อกมาให้ละเส้นหนึ่งนะครับ ทีน oh, ี à, b ảo b ảo, ้บางครั úc, àn, Obama, m m ì, m này, ้งเออเชือกเส้นนี้มันเล็กเพราะเราอยู่ปกติแล้วก็หายใจเข้าอยู่าหายใจออกใช่ไหมแต่ทําไมถึงไม่ตึงหนดเพราะมันเล็กมันแผ่วมันเบาบางจะทำยังไงทีนี้ท่านก็บอกว่าเอาต้องการเชือกเส้นใหญ่กว่านี้ไหมเพราะอิดบางครั้งมันติ้งโลนมันพุกมันอทรมานมันมีตัญหานี่ยมันจะรุนแรงมากเอาเชือกเส้นใหญ่กว่านี้หน่อยท่านก็ใช้คําว่า อุนจักรพลังทุกเวททุกปุกยังมีอยู่อีกยืนเดินนั่งนอนนะให้รู้ชัดเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลาเราดื่เรารู้ไม่อยเราดื่มหรือบทีนี่จะไปถกไฟเดืนีจะทำมันก็ทำเลยไม่ไม่ไม่รู้ถึงอ่ะเพราะท่านใช้คำว่าสันติบางอริยบนะสันติ็นบางรยบททำไมเร ภาพเทียบซ้ายภาพเทียบขวาก้มเงยลุกนั่งไม่รู้สึกว่าเราจะต้องลุกนะจะต้องนั่งต้องเงยไไม่รู้สึกก้อเหงือกก่อนเพราะความติดความต่อเนื่องมันบ้าเรียกบอกอาไวก็เลยไม่รูระหว่านั้นนะแต่ถ้าท่านบอกว่ายืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกให้รู้ชัดว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเราบอชกเสนใหญ่ขึ้นมาแล้วนะทีนี้มีเชือกเส้นหนึ่ง ท่านใช่ครับว่าผมน่าจะกำลังทิ้งประเด็ทุกนย่ายังมี่ยูอีกอันที่สองคู่เหยื่เคลื่อนไหวมองซ้ายแลขวาก้มหนอยลืมตาอ้าปากินดื่มเข้าห้องน้ำอุจลปัสสาวะอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้านุ่งสื้าให้รู้สึกตัวทักวร้อมซ้ำประชานติให้ให้รู้สึกตัวทุกพร้อมว่าเราลังเคลื่อนกลังกินกำลังเหนื่อยกังกำลังขยับกำลังทำอะไร ให้รู้สึกตัวทุกข้ออันนี้คือเชือกเส้นนี้ใหญ่ m ากใหญ่เหมือนกันแต่ก็ลองจากการเดินจากลองจากเรียบบนใจนี่คือเชือกที่สำับอุปนะฉะั้นทำยไงต้งรู้ว่าเชือกลองวองาอกันนะเข้าสู่โหมดของสร้างเชือกนี้เชือกอ่เาวที่หน้าขาตัวเองนะ้อกันนะเอาแบบ้อเตียนบอกว่ายังไงแบบ้อเตียนนะ ตะแคงมือขวาขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขวาขึ้นขึ้นตัวให้รู้สึกตัวเอามือขวามาที่สะดือให้รู้สึกตัวตะแกงมือซ้ายขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือซ้ายขึ้นขึ้นตัวให้รู้สึกตัวเอามือซ้ายมาที่สะดือรู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นเท้าอกให้รู้สึกตัวเอามือขวาออกมาที่ขึ้นตัวรู้สึกตัว วางมือขวาลงที่หน้าขาให้รู้สึกตัวขวมมือขวาลงรู้สึกตัวเพื่อนมือซ้ายนึ่งเท้าแล้วรู้สึกตัวเอามือซ้ายออกขึ้นตัวให้รู้สึกตัววางมือซ้ายลงที่หน้าขาใรู้สึกตัวขวมมือขวาลงมือซ้ายลงที่หน้าขานให้รู้สึกตัวะ14ท่า14จังหวดท่าเปรียนกำลังนับนับหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, เจ 12, 13, 14, 1, 2, 3, ส 5, 6, 7, 8, สองหนึ่งสอง้า ตัวทุกครั bitcoin, ้งเวลาเราทําถ้าไม่ร <problem 46> ู้สึกตัวคนนั ia, ่นเนี่ยมัาตัวทำสวยนะคนทําสวยมากเลยมันมฟอดผีฟ้านะถ้าเอาเล็มใส่เรียกคนตาเลยฟอเลยคือทําได้ถ้ามันรู้สึกตัวเลยนะจึดประสงค์ทําให้ก็ให้รู้สึกตัวแต่ว่าทําในฟอร์มซะก่อนเพราะเราจะปลูกไม่ได้พืชเนี่ยได้เม็ดมาแต่จะ ฝังลงดินเลยไม่เก th ิดนะต้องเย่างนั้นก็ใส่ถุงใส่อัดดินใส่หมดนะพอมันเกิดแล้วก็ไปวางไปลงไหนก็ได้แต่ให้มันแข็งแรงที่ถุงก่อนนะเหมือนกันละกันทาในปฏิบัติทำลูกมือสร้างวัดเขาทาในรูปแบบเหมือนกันทำตามรูปแบบวัดทั้งหลายอย่างี้ไม่มีอะไรเลยหรอกหลังกดบ้าดินแล้วแต่มาเลยบอกโยมเห็นทั้งุงเห็นแล้วโยมเห็นถุงุงังไหลับตาล่าง ไม่มีเราเห็นในพร็ไรปิฎกนี่ไหมครับว่าคนเจ้าให้หลับตาไม่มีแต่ทาไมต้อหลับตาตุ้เท <Council> ี่ไทยแบบเนี่ยเห็นไหมแล้วก็โยมเห็นเห็นประตูตานี้ไม่เห็นตามที่เสแล้วตานี้หรอตาอะไรเนี่ยตาตามนี้มีหรือเปล่าสมมติไม่มีเนี่จริงตามนี้มีไหมตามสะดุกมาแล้วเนี่ยตามนี้มีไหมประธานพรมีตามนี้มีไหมตามสมาธิ นะมันมีอย <N h à> nh ู่แลคือคบตามกันนะมีปางหลายปางอ่ะนั่นแหละคือเราอ่าจไม่ถือรู้ไม่ครบนะอย่เช่นเวลาเราชินฟอมมีฟอร์มตั้งแต่เด็กแล้วว่านั่งสมาธิคือขวาขอเท้าขาซ้ายคอข้อเท้าซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมันหลักตาอุ้ยอะไรเงี้ยอันนี้คือฟอร์มแล้ว ครูบอกเลยเานั่งสมาธิยังไม่บอกมันทำอะไรมันนั่งรอได้ไหนั่นเอายกมือสร้างจังหวะอะไรางจังหวะือแน่นะคือมันจะมาพูดตอนแรกว่ายังมีอยู่อีกูจะไม่ได้บอกอันเดียวดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเวลายืนเดินนั่งมองก็ต้องรู้เรชัดด้วยคู่เหยื่อเคลื่อนไหวอะไรว่าสนใดให้รู้งชัดด้วยอันนี้เขาเรียกว่าเชื่อเชื่อคู ทำ <asthma> <coordinates S 1> ไมถึงเชื่อว่าเชื่อขุมเขารู้สึกตัวข้น่เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตีขารู้ว่าตีขารู้ว่าเคลื่อนจิตมันอยู่ที่นี่แล้วนะมันมันไไปที่อื่นแล้วรู้กรามมือกรรมมือลอลองรรมอกันกรรมรู้ว่ากรรมนะถ้ารู้ว่ากรรมอยเนี้ยไม่มีอวิชชารู้ว่ากรรมเป็นอย่ือจิตเป็ความรู้สึกตัวเนี่ยคือจิตอะไอ้ความชิดมันไม่ใช่จิตละนะมันเป็นมันเป็นเจรสิท์เงาของจิต มันคิดไปกรงโน้นตอนนี้นะมันเป็นผลพลอยที่เกิดจากสัญญานะคิดถึงใครแล้วก็มีสัญญาในใจก่อนคิดถึงอไปไหนนึกถึงบ้านจะมีสัญญาณในบ้ามันเป็นจิตสิแต่จิตจริงๆความรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีไม่มีสีไม่มีสุขไม่มีทุกขชิดเฉยแต่ตัวนี้ไม่เกียดไม่รักไม่ชังอะไรน่นครู้สึกตัวนถ้าทำตรงนี้ให้มากมากแต่ต้องเจริญนะทําให้มากมากทําให้มันมีมันเป็นขึ้นมาได้เขาเรียกว่า ตอนนี้เรียกว่าภาวนาเนี่ยเราทํานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิปัสสนานะไม่ใช่สมถะไม่ไม่ใช่วิัสสนามันอยู่ในขั้นภาวนาะทํำให้มากเขาไม่เจอภาวนา ห, หรือพัฒนาอันเดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันกับแหวนพองพานมันตัวเดียวกั น, น, นะกนบาลีมันวิทยาคมวิทยาคมเนะนะนี่นนยนะฉะนั้นรู้สึกตัวรู้เป็นบ่อยรู้แต่ให้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้สึกตัวเฉย มันจะมากขึ้นมากขึ้นฉลาติมากขึ้นมาเองทาไมถึงบอกว่ามากแตมาทาใหใหม่เนี่ยก็ไมด้มีศรัทธาไม่เคยได้ยินหลวงพ่อใเหลอไม่เคยได้ยินหลวงพ่อเดียนนะแต่ว่าเพื่อนทำก็ทาทาเพื่อนบวชมาด้วยกันเออปกติบวชถูกวัตื่นต้าน่สมาธิแต่ถูกวัดนี้บวชมาต้องพายกมือแสดงอะไรเนี่ยไม่เคยได้เห็นเขายกสมุดคูบาลจัลูกศิษย์คนเียวไปรรษาไปน่นไปนั่ ทำเรื่อยๆนะคุณผู้ชมทำเรยๆทานั่นตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างทำทงเราก็เขียเ็นไม่อง้เรื่องเล็กๆไมรู้ภาษาเลยนะแล้วก็ยกมือแต่ก็เดินมงวันหนึ่งมันมันเกิดปกติเราเรายกไปด้วยคีดไปด้วยนะไม่รู้ว่ายกซื่อๆไม่รู้แต่คำว่าซื่อๆไปไม่รู้สึกอไม่รู้แต่คาว่ารู้สึกตัวไปยกไปเนี่ยยก ก็นึกนึกถึงสาวๆตอนนัลังมีแฟนอยู่ลาไปบวชมาบวชแล้วก็กอบพรรษาแล้วก็มาแต่งงานก็เลยยุคหนึ่ก็นึกที่เขาจะไปอะในวันเนี้ไปใจจีบมันเป็นคืนด้วยเปล่าละเหวนนี่คือจิตมันไม่อยู่กับตัวเองแต่พวกยุคไปยุคมามันรู้สึกอ้าทำไมเราถึงไม่คิด มันรู้ว่ามันไม่คิดมันรู้ว่าตัวว่างมันมันรู้ว่าจิตมันว่างมันมีตัวนี้เถอในโลกนี้มันมีตัวว่างเพื่อเหรอมันอยู่ที่เฉยอ่ะเลยอ่ะเรทมันฉกที่ได้ถ้าเราอยู่กับตัวว่างนี้กันนานเราจะมีความสุขแค่ไหนขนาดแปบเดียวนั้เราก็เลยรู้ว่ามันทุบตึกตัวมันทุบตึกความคิดแต่ก่อนไม่รู้ตัวความคิดนะมันรู้ก่อนตัวมันอยู่นะเหมือนกับเราเหมือนกับเรานั่งอยู่บนเครื่องบิน นั่งบนรถอ่ะผูกตามานั่งบนรถเลยนั่งบนรถเดาพาไปไหนก็ไหนไม่เลยไม่เห็นตัวรถข้างนอกว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่พอเราลงจากรถมาเอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละตัวที่เราดั่งอยู่มาเนี่ยแต่ในกรณีเมกันเราอยู่ความคิดตลอดเนี่ยเราไม่รู้อ่ะแลกรองไม่รู้คือถ้าไม่รู้ไม่ใช่เพราะว่าไม่เห็นดีกว่าแต่ไม่เห็นคือเห็นความคิดตอนมันเกิดตอนมันดับตอนมันเป็นมันไปมันจะทุกข์กับมันสุขกับมันคือสุขกับอาการผลมันน้ะคันท่าสูขคันท่าทุกข์ มันาพาลพาชัก พ, พาตัวพาเถี่ยไปนะั้นแต่วันนั้นมันรู้สึกว่ามันควนควน่าออกก็เลยฉูกที่แหละอู้หูนี่คืออาณาสงศิประสงค์ที่เรต้องทางําให้มากแต่มาสมาก็เลยไม่มีใครบอกเลยเดินจงกรมาเป็นรตายเลยเพื่อจะให้มันบ้าเหมือนเดิมทำเปาเพื่นตายวันนั้นพยายามพยายามจ้องดูเมันกับแมวกระโดดก็เลยรู้จากแมวกรนโนดก็เทียนเลยมันจะเกิดตอนไหว่า จ้องรู้ว่ามันเกิดตัวไหนเอารู้ทีนึงคิดไปไกลครับเอาใหม่เริ่มต้นใหม่รูอีกว่ามันจะคิดอะไรรู้รู้ตัวนึงคิดไปเรื่องแล้วอย่างี้มันเผลอคิดไปไม่รู้เกิดไม่รู้ดเกิดนั้นรู้เกิดรู้ดับคนห่ามไม่รู้แต่รู้เกิดคือรู้ภาวะจิตมันจะคิดแต่เราไม่รู้เกิดคือมันคิดแล้วเราเป็นผู้คิดไม่ใช่มันคิดแต่มันเผลอคิดมันคิดัน คิดจากการกระทบกันแล้วแต่แต่เราเป็นผู้คิดกูแต่ยไปนะไม่รู้ไม่รู้ต้นงมันก็เลยสังเกตดูไปเร่ยมันมันเกิดมาอะไรคงคิดคิดมาได้ยางไงเราไม่ได้เราไม่อยากคิดเราไม่คิดนะรู้เข้าเห็นเข้าสั้งเข้าสั้งเข้าจริงรู้ต้นของคิดหลังจากจะรู้่า้ไงก็คำสติให้มากๆแล้วมันจะหยุดมันเมันเราวิ่งแข่งมันเราวิ่แข่อะนะมันเราขับรถแข่งเอาเอาวิ่งไปทาง เราไม่สมเหตุสมผลขับรถเราตอนแรกใส่เกียร์หนึ่งเใส่เกียร์สามเกียร์สีแล้วเห็นกระสุนรถเดียบแรงขึ้นเปลี่ยนเกียร์เดียวแรงขึ้นเรายังช้าอยู่ต้องวิ่งให้ทันจนระดับตั้งเข็มไหม่เท่ากันเนเริ่สูสีกันมองเห็นแล้วใช่มมองเห็นแล้วเราเหมือนกับที่วัดที่เวกัสตอนเย็นเย็นบ่ายสอบายามมรนจะีเขจะโชว์ครึ่งดินมันู่ใกล้เบร์ ทหา ร, ใกใกหา ร, รไปไปเชนทหารโฉบขึ้นมาเพราะกันเด็กสามสี่ลำจะพี่คู่กันไปตั้งแต่นิ้ั้งนิ้วมืองเนี้ยไปนี้เลยนี่คือมันตั้งเข็มไม่เท่ากันสติเราทันความคิดได้เห็นความได้มันต้องเร็วกว่าเร็วเท่ากับความคิดมันจึงจะเห็นความคิดแล้วก็แซงไปข้างหน้าตัวนู้นยังจะเห็นมันขนาดนั้นเลยตึงรู้ตึงรู้ออกมาอมารู้คําภาษาว่าสติ สติมาจากาาาคําว่าสละสลับขาคือสอนสอนคือยิ่งไปสอนคือแร่งสอนแร่งไปแร่งไปสู่เป้าหมายไอเรามันไม่มีเป้าหมายยิงอกว่ามันมันเรื่ว่าสติเราน้อยเราเลยเร่งเช้าของเป้าหมายบายิงไปเนี้ยเป้ า, าไปไกลแล้วันเลยไปถูกพลังงานขสุกในทุกครั้งตลอดเวลา น, นี่แหละทำมากมากอาตมาไม่มีคำเตือนบอกละ ทำอย่างเดียวทำเฉยๆแก้ไขตัวเองมันง่วงแก้ไขมันทุกแก้ไขมันเบื่อแก้ไขมันเบื่อก็แก้ไขให้เข้าใจว่าไอ้เบื่อไม่ใช่เรามันเป็นอาการเฉพะเก็ไม่ใช่เรามันซุกมันุกไม่ใช่เราหน้าที่เราทอย่างเดียวนะที่เรามีเวลาทโอสุกสกมันแต่กมีความรู้สึกไปเรื่อยๆมันสติเราเพิ่มขึ้นเืย อุปสรรคก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันอุปสรรคก็เพิ่มขึ้นสดิ็เพิ่มขึ้นมวยสูสีกนถ้าใครมีความเพียรมากคนตะกอก็ไปไกลกว่ามันจนั้นจะรู้ว่าความสุขที่แท้กินไม่ต้องอยู่ที่ไหนความสุขที่้กินโอ้ยช่างอะลรตัวนีไปกินไปคุยไปขี่ไปมั่นไปสัญญาลช่างของมันสบายเลยใช่โอมันเจอความสุข ที่ได้กินอ่ะถ้าปัจจุ้ันมันรู้เป็นไงมันรู้นะแต่ก็อาริสอสก็ยกมืออย่างเดียวฉะนั้นเชียบที่รี้สุดคือรู้สึกตัวยรู้สึกเฉยรู้สึกที่สวยยกตัวอย่างคนหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งที่มหาลัยแกเป็นโรคสมศ่องนามสกุลทุตันเป็นรองศาสตราจารย์น เป็นอจารย์พ ma <laughs> e ูดท yes, ีตัวนได้อาจารย์พูดอมาเอออาจารย์โลกสื่อเศร้างานมาไม่สิดเซ็จสักทีหนึ่งไปหาทีไรก็จะข้ามตัวตายเลยตให้แม่มาเข้าโอ้ยเราไปหาเราเลยเศร้า้วยถ้ทำยังไงอ่ะแกเป็นคนเก่งมากเก่งยอมรบว่าเก่งขนาดไหนพูดเรื่องสีขาวอย่างเดียวพูดด สามชั่วโมงไม่จบพูดความขายคนเดียวนะพูดเรื่องความโกงอย่างเดียวนะพูดถึงช่วสามชั่วโมงไม่จบะคือละเอียดมากย่อยแต่แล้วทฤษฎีก็ละเอียดมากแต่ว่าเอากิตเองไม่ดูเข้าไขไม่ได้อยู่ขึ้นโรงงานไม่ไหนทุกภรรยาก็ดูด้วยไม่ได้ะเพราะอะไรลู้ต้องมาหลออาจารย์เอานี้ดีไหมอาจารย์ช่วย เราพระอาจารย์ลองคำนวณไปซึ่งแต่มาบอกเกไม่มีศาสนานะพูดเรื่องพูดศาสนาแกก็ละเอียดเก่งเราอีกอ่ะแกเป็นักทฤษฎีเก่งก่าเราอีกเคยเรียนโรงเรียนคลิปมาเนี่ยสอยด้วยนาฬิกาเรียนตัวเชื่อนาริกาแล้วก็เรียนทุกศาสนาอาจารย์ลองคำนวณเลยอาจารย์กำนวณคำวแกก็คำตามนะแต่งานเราไม่เสร็จ ต้องหาางให้ถแก่กรรมช่วยเราให้ได้กลมมือกรรมมือจะบักกรรมรู้สึกอาการรู้สึไรู้ึกตัวไรรู้สึกขณะที่อาจารย์รู้สึกตัวเนี่ยความคิดมันมันทุกข์ไหมไม่มีไม่ทุกข์ถ้าอาจารย์ทํางนี้ต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์จะทุกข์ไหแค่หยุดนิดนึงมันก็ไม่ทุกข์นะว่ากันต่อมาเราจสือลกเต็มไปไห แ่ก็อ่านนะจะลองลองยกมือเล่องแกก็มือถ้ายกมือส่ากว่านี้คาถามจะมาเยอะอีกการสอบต่ออีกเค็นไปถามแกรู้สึกตัวเฉยหรือคารู้สึกตัวคนฉลาดเรู้สึกตัวเอยเขไปได้เก่งนะจะลองซื้อม้วนเทียนเป็นให้ผ่านแ่ก็อ่านดีกว่วันหลังมาผมจะหมดนะผมจะหอกทุกเียมหนึ่งว่า ตอนนี้มาได้คนเก่งใมอ่อนผมจะดอบเรื่อเมหนึ่งถ้าท่านก็งาประสงค์ที่อาจารย์บวชที่ไหนนะมาแนะนาว่าให้อยู่ให้บวชที่วัดโมก้อนเก่งแต่นั่นก็มีวิธีการทั้งหมเดียรก็ไปปรึกษาคุยกับเจ้าอาวาสแต่เวลาบวชพี่น้องเขาเนี่ยเอาไปบวชทวัดอังคารอนเก่งนะวัดธรวัน์วววันวัปก๊อตอนนั้นก็ครูท่านยังไม่ไม่เสียชีวิต มี่ตัดภาพเป็นสาราจามุสีแล้วก็จะหลานใชไม่เสียชีวิตแล้วก็บวดที่ั่นไปก็ไปยุบหนอกองหนออยู่นะก็คอสึงก็ดีนะงานเราก็เป็นเจ็บึงดอกเลยแกดอกงแเราก็ดอกไปด้วยเลยอ่ะนะแต่ข่าเทิมไม่ดอกนะดอกเฉพาะครูตัวจงานนะแล้วก็แต่ว้าแกกอก ภาษาเดือนบวช่สองสามเดือนะแกก็ออกมาก็แต่ละรอบก็ดีขึ้นนะต่อไปทําแกก็จะไปหาแกเลยเดินยุบนอกของอาจารย์แต่ยุบสะโพกจะรู้สึกเคลื่อนไหวเยอะอะไรพวกก็ตัวเดียวกันไหรคือถามว่าออริจินอลหนึ่งจริงๆแล้วหือครูเจ้าบอกให้เคลือนที่เคลื่อนไหวออรินอลกันนะเพิ่มแกร่กัน ลมหายใจครูบาอาจารย์ท่านผู้ฉลาดลมหายใจมันมันเบามันเบาก็เอาพุทโธไปใส่หายใจเข้าพุ้ธหายใจออกโธนึกก็เสริมเข้ามาเพื่อให้จิตมันมีที่เกาะแล้วก็บรลิกรรมให้มันแน่นขึ้นบางอาจารย์ก็ไม่อยากจะซ้ำเขาหันใจเข้าซ้งมาหายใจออกซรำหันก็มีนะบางอาจารย์ก็ไปสึกมาเคลื่อนไหวไม่เอาเอาเคลื่นไหวท้อง หายใจเข่าหองหายใจออกยูบเนี่ยก็เริ่มต้นคือให้มันชัดเจนนั่เองมันมีอะไรไม่ให้ไม่ได้ให้พิเศษศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วนะแต่คนไม่เข้าใจว่าักด์สิทพิเศษเองนะพระนั่งอนี้หน่อยก่อกโอ้พอยพาดจามรูปประคำ ใ, ในใจขังแน่นอนเลย <laughs> เป็นเช่นนั้นนะตรงแรกคือให้มันชัดเจนให้มันรู้สึกตัวชัดเจนนี่คือเชี่ยงนะผูกตอนแรกมันอาจจะฝึกจะฟัดใช่ไหม จิตมันไปลงไปนี่ไม่อยู่บ้างอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเราต้องทํำบ่อยๆไม่ใช่ว่าฝึกครั้งเดียวได้ต้องทํำบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนมันเชื่ยงมันเชื่ยงแล้วเนี่ยโอ้ยมันอยู่กับเราตลอดท้าอยู่กับเราตลอดแล้วเนี่ยไม่ต้องขึ้นไข้แล้วนี่จะป่วยตอนมันร้อนก็ไกลจะมาเยี่ยมก็ช่างไมมาเชี่ยมก็ช่างไม่ทันนอนน้งตาไหลโอ้ยอีกคนนั้นอีคนนี้เคยช่วยเหลือมันเวลาเราป่วยมันไม่มาเลยน้อยใจนอนรองให้กูมี เรียกว่าจิตมีที่พึ่งพระเจ้าบอกว่าอยาเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยให้เอาพระพุทธถ้าทำพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธถึงพระเจ้าว่าองคุณนะคนก็ใจว่าพระพุทธคืออคนะคนก็เต็มบ้านเลยพอเต็มบ้าน้วใน่นี้ผมก็็นของดีลยบ่าใส่ลูกองศาเลยเรียกว่าไม่ใช่พระพุทธก้่องกันแล้ว่องกันพระพุทธอะไรกัวมันจะเป็ขมยไปอีกนะ่ ไปไหนก็มาเตี๋ยวทำก็ยกมือเสี้วตรงนั้นเราปิดตัวตาต่างมานะของหายกลับไปทำไงตายเป็นู่กัยเป็นสิเรียสกับของขังตัวเองของดีกลายเป็นตัวเองคุกคลองดังนั้นพขพูดจริงๆคือเนี่ยเราพลังปุกอยู่เนี่ยดวงตาพุทธพุธพูดธพุยธแงว่าพุทธชาติเป็นความตื่นนะแต่ว่าพุทธโทรแล้วพู้ทธตื่นพูดรู้พู้ทตื่นพู้บโบาตื่นรู้นะไม่ใช่ อันต <t ữ> awesome. uh, ื่นไม่ได้ก็พูดอยู่ในตัวเรามู้ดเน่ยคุณเจ้าเชื่อว่าพูดโถ่เพราะเป็นผู้รู้พูดตื่นผู้ประมาฉะนั้นก็อยู่ในตัวเราได้แหละนั้นก็ดี้ไม่ไ้ไม่ไม่ไม่มีเลยก็ไม่ได้จะถามว่ารัฐที่ไหนก็ได้ลำบากอีกก็ดีก็เคารพบูชาแต่เป็นสาระเป็นพึ่งนะแต่ไม่ใช่สูงสุดพอพูดภาษาผสมพูดอื่นผู้รู้พูดตื่นใครรู้อ่ะคนตื่นรู้แล้วใช่ไม่ได้ต้องเรารู้เรารู้ดีรู้ทั่วรู้ควรไม่คนรู้ ความจริงชีวิตแล้วมันไม่ทุกนะดังนั้นตอนนี้ตรรมะใช้คาว่าเราก็ลังมานั่งปลุกเสกกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปปลุกเสกแล้วธรรมาเอาถั่วไปปลุกเสกเลยเหมือนกันโอ้ยประจันเห็นเป็นวิปัสนาจารย์ผ้าดำๆมานั่งปลุกให้หน่อยนะ เ, เราก็ขารถไปไหนไม่มีหรอกจะเปนั่งเ่าห่อยไปนั่ขารถ อ, <ๆ>องไปนั่งหลับตานั่งหลับก็นั่ง นั่งหลับคือชนะคุณน่งหลับไปเลยนั่งหลับบางรุ่ก็มีาาามอาจารย์มารุ่มงรุ่กับเสียงขูเหือือนตั้มีขังขึ้นไปอีกหลับไม่หลับนั่นแหละคนที่ยิง น, นั่ ง, งปลุกเสกเขาปลุกเสก อ, อีกคนตองใช้ผิดปลุกคือปลุกเลให้ตื่นตื่นจากง่องตื่นจากการหลับตื่นจากการไม่รู้ตื่นจากการหลงให้รู้เสกออะไรมาศึกษาสิรษษสวาธิษษาษษาปัญญา เสว็ศึกษานะมาเป็นาว่าเสกมาเป็นเพาอีขับมาเป็นาว่าศึกษานักศึกษาเพราะว่าแต่ว่าผู้ที่เห็นเองสักปอีขนะ ส, สักสักวาเองสักสหนสยามเนี่ยผู้เคยเองนะประเทศสยามผู้เคยเคยขึ้นต่อใคอสยามูอ้อีกขับตัวนั้นนะ เวลาเข้าสมาธิแล้วมันอ่อเป็นดีนั่เป็นสิกขาสิกขาภาษาไทยเป็นศึกษาเพราะภาษาไทยภาษาบาลีตัวสสาที่เอาที่เป็นงูนั้นนะก็าศึกษาไปเะกระน้นแล้ว่าต้องสู้รู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้มาศึกษานั้นมาปลูกเสกเสกเลยเสกก็แปว่าอีขาเนี่ยแล้วเอาอีตะเก็นะกมาศึกษานี่ก็ปลูกเสกได้แค่รจริง ไม่ปลูกเศษไอ้แก้วมันปลูกเศษแก้วมันขังนะมันขังไอ้แก้วเอาน้ำใส่ก็ขังอยู่นะปลูกเศกไวนะก่อนถ้ามาจะมาไปเปลี่ยนเฉพาะลูกดีใช่แหมอ่าแม่เป็นเป็นรับรับเป็นเฉพาะลูกดีดเยอะเพราะลูกจะมาจะมีลกดาวอ่าเป็นรับเป็นเฉพาะลูกดีดเยอะเยอะเลยแล้วก็ไม่ว่าความสุขแค่เบบนี้นะ ที่วันตัดไว้หลายคนก็จ้องกันะตัดไว้เขาตัดไว้ตุ้มเลยเพราะอะไรจ้าภาพกระเด็นเลยคนวี่ก็ไปเยี่ยมไว้ทั้งทากัษฎรานั้นก็ไปเอาไว้ตัดตัดกัเลยตัามาที่ถึงใสเขีงห่อไว้หลแงจกันก็คนยีกันกาาเอาทุ่นตัดเป็ยไว้แล้วเสร็จเป็นไว้แล้วก็เอาไว้ไปไม่ไว้ที่ขังก็ตัดมาใสรู้คอคือทํามมันสายปล่อยไม่ใช่สายขัง ก็ข้าใจกับสายปล่อยปล่อยวางนะมนไม่ใช่สายขำ น, นะนั่นแหละก่อเศษสิ่งเหล่านั้นแหละถ้าจะศึกษามันนะไปศึกษาไว้ต้องศึกษาว่าเราจะปลูกยังไงจะได้กินใช่ไหมจึงจะจึงจะเป็นนักศึกษาที่เป็นครูนะแล้วก็ครูไม่มีเยอะเลยนะพูดมาเข้าครูหมดเลยนะ่นแะต้องศึกษาว่าหวเนียนะ่ยมันจะมันจะขำมก็ต้องหล เราศึกษาว่าปลูกยังไงจะได้ปลูกเป็นอามที่ได้เป็ น, น, ปนสกุลละครก็ปลูกไว้ขมอ่ะขายกันเป็นตามสมมตทางเต็มเลย <S <S เรียกเลยว่าผู้มีปัญญาศึกษาไม่ใช่ว่าผู้หลงศึกษาถ้าหลงศึกษาก็ศึกษาไม่ถูกนะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมแบบของพ่อเทียนพวกเราต้องต้อ ง, องปูกเสจจเกตัเองไม่ใช่ปูกเสกที่อื่นอันอื่ก็ดีแล้วไม่แบบว่าหรอกจะบแะบบว่าเอาอยู่ว่าเขาไม่ได้หรือเขาเปว่า แต่นี่มัสิ่งที่จริงที่สุดนะไม่คือพูดพระที่แท้จริงมันกัไปทางไปทางยุโ่งดะไปยุโงดุหลวงพ่อถามไปพระถึโยมเห็นพระพยานขอของดีหน่อยนะไม่ของดีก็พยานดูแลมือให้หน่อยสบายดวงใจม่ะไอ้กลัสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันไม่ใช่ที่เดึนสูงสุด นะแล้ต nah, mm ้องดูลายตัวดูใจตัวเองนะก็พูดทำมาให้ฟังถ้าเห็นถ้าเห็นพระไหนเยอะอย่าไปขอของดีถ้าไปโยไปขอของดีพระเวลาไปนี่จะย่ามนี่ใหญ่ขนไปแก่นะขนไปแล้วก็แล้วก็นี้แก่แล้วก็มันก็ได้ปัจจัยมาสร้างวัดต่างบ้านก็ดีด้ว่มากนะแต่ว่าให้ถามอย่าลืมถามอันนี้อาจารย์ปฏิเจ้าสุบาลนีอะไรบ้าง เนี่ยอาจารย์โคดสมเกตมีอะไรอธิบายลองฟังหน่อยรยาัีงสงสัยข้อไห้มากเกินให้ถามแค่นั้นนะผู้เราวิธีการทูอเทียนต้องใช้ว่าวิธีการนะเดี๋ว่านสายทองเียนหรือฉันสายท่อเรียนไดวจะพูดแต่เปิวิธีการทองเทียนวิธีการทเรียนถามถ้าต้องถามอย่างนี้สติอาจารย์สติมันคืออะไรความรู้สึกตัวมันคืออะไรถ้าถ้าถามนี้ไม่เข้าใจก็เอาหัวข้อถาม พระอรย์อธบายอะไสกสิฟ e <c ười> ังหน่อยใชถ้าถามนี้พระตอไม่ได้จะเริ่มกลัวตัวเองกลตายแล้วเตรียมแต่ของดีมาไม่ได้ไม่เตรียมคำว่ามาเออยมยอมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาเข้าน้ำนิดึงเข้ามากดปุโกกดูุกโก้อาจารย์สบายอาจารย์สิจำละเอายอมทอะไรเมกี้เนี่ย มาเคยใช้นลมันจำไม่ได้จะเดียฝ่ามันยาวเลยมันจำได้หมดอ่ะเลยต้องไปถามอาตัวก่อนตุนษาที่ฟื้นก่อนจดใจมือบานะก็หลอเนี่ยถามพระต้ถามอย่างนี้แล้วรวมจะได้พระที่ดีพระแท้ถ้าลงมไปขอแต่ของดีทั้ก็ไม่ถามธรรมะทักทีเลยทั้งก็มันเป็นอบรมการทำพุด้วยกัน ใชางเทตลอดเลยเยอะเลยนะหลายรูปก็ไปก็กะก็จะเป็นเมกพันนี่เตที่เป็นเรียนวิชาดูรามือเรียนวิชาหมอดูไปนี่คือสิ่งที่เขาเรียนไปเที่จะไปปวดตรงนั้นฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ทาท่านต้องถามเรื่องธรรมะแล้วท่านงการจะตื่นตัวโอ้ยอายละอายใจเองนะก็เป็ะตัวยามคนว่าตัอยัางที่จะมาศึกษามามาบอกพญายมรุณ ถ้าไปถามบัวของดียวตัของดีต้องปั้มตัวของดีนั่นแหละฉะนั้นเราจะไม่ได้ของดีแท้ๆกี่ฉะนั้นเรามาที่ตรงนี้สัปเระแห่งหนึ่งที่สถานที่สัปเหยัญญะเย็นสายย็นคนน้อยหรือเปล่าน้อยนะตอนนี้มันรอๆประมาณเดืนเลยสอตัวแล้วเดี๋ยวป่วยแป๊บเดียวแล้วเราพ่อแล้วเนะประมาณปีสิบปีจะหงึ่งสมบูรณ์หงครึ่ง ครับแล้วหลับแค่เดียวเหนื <t <t ่อยคุณคนดีนช่วยท่านแล้วเจอครโกมหลับแคบเดียวสงนท่ามาหลับเอ้าวไปยินเสียงตรงที่สวนมนต์ตายแล้วตายโยมเลยยังไม่ช้าก็เลยทำอะไรก็ตื่นขึ้นมาแต่นีมันมีช่องหนึ่งยังไม่ได้ปิดทุกหมดเราลองเกยข้างหูเราสองตัวไล่จับเนี้ยไล่จับมันได้ ตอนนี้นอนรออยู่ลงใช้คุยด้วยคืนจะคืนไดสองตัวนั้ะสถาที่สัปยักสองอาหารสัปยักเราไม่ได้หัวเพราะเราต้อปฏิบัติธรรมสโลแกนต้องปฏิบัติธรรมคือกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติมหน้าต้อมาก็าบอกว่าเรื่องกินเป็นเรื่องเล็กแต่เรื่องไม่ได้กินเป็นเรื่องใหญ่ะกินน้อยกินยังไงก็ได้แล้วก็ ธรรมะสัพยาธสิ่งที่เราทํำอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งหลงอย่ามาหลงเพราะารพูดดีใช่เลยอย่าไปเพิ่งปฏิมัติดูก่อนนะสำหรับเราหลงพระพอหลงแล้วเป็นไรตอนนี้พระจําเป็นกระหลงเลยเป็นพระธาตุประเทบเลยเนี่ยเพรเราหลงองค์น้นก็เป็นพระธาตุนึกเป็นพระธาโอ้เก่งไปเลยสาะทุกอย่างก็เดียวล่ะเพราะเราฉะนั้น สัพธรรมะตงแน่นอนสัพยาคือคนยจมไม่เชื่อเลยนะขาพ้นปฏิบัติก่อนให้เราได้ให้เราได้เองต่ธรรมะอยู่ที่ภาคคนย่อมมาธรรมได้ยังมาตรงขึ้นไม่ได้ใช่ั้นเดี๋ยวธราก็กลับไปไหนเราไม่รู้ถึอของฟองไม่ได้นี้เ้วก็ตามมาท่านแลก็เจอนะแล้วก็สุดท้ายคือบุคคลขึ้นกญญาณิสัพยาคือตากบตากตาปฏิบัติธรรมอย่าไปคุยกัน คำสัพพะยะเพืนปริยนิมิหมายถึงว่าทำให้ดูหยุ่เย็นทำให้เป็นเกสัมผัสคาพูดคําจาเวลาเราทำมนนคนเปลียดกันนะมันจะว่าไล่ตัวไหนขอไล่หน่อยขอแ๊ดเฟ้นหน่อยเาจะไล่แตเฟ้นอย่ยนะไม่ใช่แต่นั้นก็ทำต้องทำจกินมันคนไม่พูดเห็นเขาไม่พูดด้วยก็๋ย่ากเขาโกดแหรว่าเขากลังเก็บอารมณ์ฉะนั้นเขาบอกว่าบาปที่สุดคือทาให้คนอื่นเสียสมาธิเสียสติที่ก้ นั่งยกมือบางทีวิ่นาทีอีกสามสีนาทีหน้าก็อาจจะเจ็ดอาจจะเข้าใจธรรมะแต่คเอิ่นว่าถ้าอ่านน้ำไม่ยั้งไม่ยั้งน้ำกลายเป็นเสียไปเลยเลยแต่คนนี้ก็รอยขึ้นเท้าไปแล้วนะก็กลายเป็นเข้าแก๊คไปเลยอาฉันก็ทำใครทำมันนะอาจจะวันนี้ก็พอมดิเท่พอดีพองามนะ ขอขมานาสาทุศนะก็ยินดีที่เห็นพวกเรากลายในกำลังแสดงหน้าดวงตาถ้าเป็นหลวพ่อกระ่านก็เกียรตดวงตาคนดวงก็ดวงดะงดวงตาก็คือตาสปิทเพราะตาเอบเรามีแล้วนะไม่ไม่ห่วงเรียกตาในถ้าได้แล้วเนี่ยเราก็ทุกน้อยทุกน้อยจะเป็นหมดทุก ก็เไม่ได้หมดที่จะลดลงกย่นานะฉะนั้นอตอนนี้ก็อนุตนาสาธุครับนักปฏิบัติต ท, ตต ท, ทุกคนทุกที่มีจิตใจใฝ่ในมุญในส่วนในธรรมก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้ได้รัายหนธรรมเห็นความจริงทุกจวิตเกิดเจ็บกิตายเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในสถาบัของพระยาตแล้วก็จงพ้นทุกไร่โศกปลอดโรคหายภัยจงสมทุกันด้วยเถ